เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนข้อที่เข้ากล้าจะออกรวงได้ น, นะปกติข้าวกล้าพันธุ์ดีทั่วไปเนี่ยประมาณสมเดือนสี่เดือนหรือห้าเดือนจึงจะออกรวงได้ถ้ายังไม่ถึงกาละนั้นแล้วบุคคลจะปรารถนาวันละแสนครั้งทุกๆวันตื่นเช้ามารดน้ําวันละแสนครั้ง น, นะว่าขอให้มันออกรวงภายในหนึ่งปักก็คือภายในสิบ้าวันสาธุ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 เพราะเหตุไรเพราะข้าวกล้ายัางไม่ตั้งท้องยังไม่ถึงความภัยบู์ยังไม่ถึงความแก่รอบเชื้อฉันใดข้อที่บุคคลให้ทานเช่นกับด้วยทานของพระเวสสันดรทุกๆวันก็ดีสังสมทำรร ม, มีศีลเป็นต้นอันสมควรแกนะ่ญาณนั้นก็ดีถ้ายังไม่ครบสี่อสงขายแสนกับแล้วจกเป็นพระพุทธเจ้าในระวางนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้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 โพธิญาณเนี่ยต้องได้รับการบ่มบ่มใช้เวลาบ่มเสียสงขแสนกลับเนี่ยนะใครที่บอกโอ้ยเรียกว่าต้องอบต้องนึ่งนานขนาดนี้เนี่ยเอาแล้วนะไม่ทานแล้วหายหิวแล้วแบบนั้นเราอบอะไรนานขนาดนั้นอยู่แบบแห้งแรงไม่ต้องอบไม่ต้องอะไรดีกว่านะเราก็อยู่มาถึงทุกวันเราก็ไม่ได้ตั้งความปรารถนาอะไรมาเลยถ้าตั้งความปรารถนานะไม่ใช่อย่างนี้หรอกมันลุกไปนานแล้วแม่ย่เพิ่งดูถูกคนเพิ่งเริ่มต้นนะหลังนั้นนะ ไม่ดูถูกหรอกดูถูกมันดีแล้วนะให้เริ่มต้นปฏิบัติเธออีก4ี่อสงไขยอีกส6อสงไขยจะไปไหนใช่ไหมก็ขอให้ได้ตรัสรู้อะไรนะ ค, คือสรุปว่าขอให้เนบีบรรลุใช้ได้แล้วเมื่อไหร่ก็เอาสรุปเมื่อบุคคลตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าโดยเวลาประมาณเท่านี้คือใช้เวลาอย่างนี้ก็จริงแต่ต้องปรารถนาสมบัติแตประการในการสร้างอภินิหาร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 อภินิหารย่อมสำเร็จหรือการตั้งความปรารถนาสำเร็จเพราะมีการประชุมธรรมะแปดประการมนุษย์ตั้งลิงค์สัมปติเหตุสัตธารัตนานประประชาคุณสัมปติอธิการรจชัชนตาตาเนี่ยนะแปดประการมีอะไรบ้างหนึ่งความเป็นมนุษย์สองถึงพร้อมด้วยเพศสมมีเหตุสี่เห็นพระศาสดาห้าการบรประชา6กถึงพร้อมด้วยคุณ7อธิการ8ฉันทะความพอใจ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 เหมือนสำเร็จแก่สุเมศบัณดิตฉะนั้นด้วยว่าสุเมศบัณดิตนั้นบวชที่แทบเท้าพระพุทธเจ้านามทีปังกรได้เป็นผู้สามารถเพื่อบรรลุพระอรหันตในอัตภาพนั้นได้ถ้าพระสุเมศบัณดิตปรารถนาหรือประสงค์ท่านจะบรรลุแทบเท้าพระพุทธเจ้ า, าทีปังกรเลย น, นะถ้าปรารถนานะแต่ว่าท่านไม่ปรารถนาต้องมีเหตุแบบนั้นนะ่ะต้องมีเหตุคล้ายสุเมศบัณฑิต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 ตอนตั้งความปรารถนากับตอนเป็นพระพุทธเจ้ามันจะต้องเพศเดียวกันพันความปรารถนาของอนาคาริกคือนักบวชย่อมจะบวชในาศาสนาพระพุทธเจ้าหรือในนิกายของดาบทปริภาชกก็ตามแต่ต้องเป็นกรร ม, มะวาทีและกิริยาวาทีเชื่อกรรมและเชื่อความเพียรนะเชื่อกรรมและเชื่อการกระทรําเหมือนสุเมศบัณฑิตฉะนั้นด้วยว่าสุเมศบัณฑิตนั้นเป็นดาบทลนะสุเมศดาบทเนี่ยนะตั้งปณิธาน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 เพราะอย่างเช่นสุมเมธบัณฑิตที่ท่านได้สําเร็จก็เพราะท่านมีอภิญญาห้าสมาบัตแ8แล้วอภิน ญ, ญาหสมาบัติ8ถ้าทําโก้เนี่ยนะเดินแหมเดินแบบอะไรนะไม่ก้มหัวให้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้นะต้องมีอธิการด้วยอธิการคืออะไรอธิแปลว่ายิ่งการะแปลว่าการการะทําต้องทําอย่างยิ่งทํายิ่งทํำยังไงมหาบริจาคต้องมาหาบริจาคบริจาคอะไร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 ทนถูกอุปมาณะเปรียบเหมือนแต่ก็เหมือนทนอยู่ในนรกจริงๆนะตายเกิดตายเกิดเนี่ยมันเจ็บปวดขนาดไหนตลอดเสียสงไข่แสนกับเนี่ยนะถ้าเทียบกับผู้ที่อยู่อรหัตผลในเอื้อมกับบอกทนทุกข์ต่อไปอีกเสียสงไข่แสนกับเนี่ยนะกับอรหัตผลที่อยู่ใกล้มือเนี่ยนะถ้าคนทั่วๆไปก็ขอเลือกอรหัตผลมาก่อนไงอันหนึ่งความเป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะทํากตตุกรรมยตาฉันทะนั้นเพิ่งทราบว่า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 หรืออีกในหนึ่งใครเล่าย่ำยีก้าวล่วงสกลจักรวาลซึ่งดาราดาตไปด้วยกอภัยชั่วนิรันดรหมายคืาว่าแวกกอไผ่เนี่ยนะแวกน้ำแวกรกแวกอะไรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะตลอดเสียสงไข่แสนกับความปรารถนาของผู้นั้นก็สำเร็จได้ถ้ามีคนพูดอย่างนี้นะคนที่มีองค์ประกอบ7ข้อและข้อที่8เขามีฉันทะอย่างนั้นเขามีอุตสาหะว่าเราเราทาได้ทาไมเราจะทาไม่ได้ เป็นผู้ความปรารถนาของผู้นั้นชื่อว่ามีกำลังอย่างสุเมศบัณดิตเนี่ยนะเขามีความปรารถนาแรงกล้าขนาดนั้นถามว่าไอ้คำอุปมาทั้งห้าคำเนี่ยนะหนึ่งฐานเพลิงสองหนึ่งเปรียบเหมือนหมกไหมอยู่ในในรกสองฐานเพลิงสามหอกเหลาสี่น้ำเต็มฝั่งห้ากอไผ่กอไผ่เนี่ยนะ ถ้าเปรียบถึงนรกเนี่ยเพราะว่าผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ท่านไม่ตกนรกนะตกเกือบทุกกลับละมั้งนะหมกไหมอยู่ในนรกไม่ใช่น้อยเลยนะแล้วก็ไฟคือชาติชรา ม, มรณะเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนนรกว่าท่านก็เคยตกนรกพระะนันต้องทนได้เั้นเปรียบในนรกก็คือนรกแห่งอะไรโลกเนี่ยมันก็เหมือนกับนรกที่ร้อนแรงเนี่ยนะที่เต็มไปด้วยความทุกข์แล้วก็ทนอยู่ด้วยในหลุมฐานเพลิง ลุมฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวคือต้องทนชาติชารามรณาโศกปริเทวะทุกโทมานัตอุปายาตเสียสงขัยอาสยดูทุกชาติต้องเป็นไปชาติชารามรณาโศกปริเทวทุกโทมานัตและอุปายาตซึ่งเหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนกับฐานเพลิงเนี่ยนะแล้ว อ, อีกในหนึ่งก็บอกเหมือนหอกเหมือนเหลาจะต้องคอยฟังคําทิ่มแทงทางวาจา